ในในชีวิตปกติของเราแล้วก็พระอหันต์ก็ยังมีปัญจทวาระราว 20 เนี่ยการอหันต์เกิดได้ 20 ทั้งกิริยาตามธรรมชาติอินไม่ต้องไปดวงอีก กิริยาที่เป็นผลได้จากการอบรมภูมิธรรม 18 นะก็เลยกันว่ากิริยาตามธรรมชาติของพระอหันต์เนี่ยไอ้เป็นกิริยาที่ท่านตัวเป็นอาหาร ปัญจาทวารแปลว่าช่องทาง 5 แห่งทวารที่แปลว่าประตูประตูหมายถึงช่องทางสําหรับ เป็นที่ออกของวิถีจิตมันก็ๆเสียงเข้าๆโผฏฐัพพะๆอารมณ์เข้าจริงๆเพราะอารมณ์เป็นรูปแต่ว่าวิถีจิตที่ว่าออกเนี่ยหมายถึงมันมีเจตนาพุ่งออกใช่ เช่นอาวชนะอะมโนตวารัญชนะจิตเนี่ยหรือปัญจทวารัญชนะจิตมันตั้งอยู่ที่หทัยแต่เวลาอารมณ์กระทบนั้นแล้วมันก็พุ่งสาย ล้วนแล้วแต่พุ่งออกไปข้างนอกตัววิธีจิตจึงกล่าวว่าพุ่งออก ฟังดูก็เหมือนจะขัดแย้งกันว่าเอ้าแล้วว่าเห็นแก่ตัวมันน่าจะคิดๆไอ้คนนี้กับตัวนึง เลยลืมคิดถึงตัวเองกับตัวเองอ่ะได้แล้วจะเป็นยังไงตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายๆเหล่านี้นะ จะทําบุญทําไหลก็อ่าสันดานที่ดีของตัวเองไม่ อ่าผมก็ว่าต่อไปนะโดยองค์ธรรมปัญจทวารก็คือหูจมูกลิ้นแล้วก็กาย 4 คือปัญจทวาร 5 ที่อีกอย่างว่าประสาท 5 โดยรูปเนี้ยก็ประสาทรูป ถ้าได้ยินคําว่าปัญจทวารเฉยๆยังเป็นชื่อของรูปอยู่ กรรมแล้วกันหมายถึงจิตไม่ถึงเจตนาไม่ เหมือนกับกิริยาของคนที่ลำพึงหรือแลแลไปที่ใดก็เรียกว่าหาวจนะไปสู่ถึงนั้นโดย กับปาวจณนาการด้วยจิตคือความคิดครุ่นคือ ลำพึงถึงหรือแลถึงอารมณ์ 5 ที่ทางประสาท 5 หรือ 5 ก็มีชื่ออย่างนี้เป็นความปันหนึ่งด้วยความ 5 คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาๆทวารนั้นน่ะก็ ดังจึงบอกว่าจิตดวงนี้เป็นจิตขณะใน 5 ทางทีนี้เรา อยู่ระหว่างภวังค์คือความหลับอืมมีชื่อว่าพิสดารแตกต่างไปนั้นความหมายนะว่าหลับซึ่งจริง อังวัฒนะแล้วก็ภวังค์บางทีใช้เป็นว่าเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกซึ่งก็เป็นการนํา มาจากคําว่าภวะที่แปลว่าพบแล้วก็อังคะชีวิตเราก็เรียกว่าองค์ฆาปยก อย่างเห็นองค์ 8 เนี่ยก็หมายถึงข้อธรรมคือมรรคมี 8 ข้อ 8 31 คือพื้น ขันธ์ของเราอัตภาพของเราในชาตินั้นๆเรียกว่าภพภาวะความมีความๆเรียกว่าที่นี้ทีนี้ถาม ปฏิสนธิจิตของเรานี่แหละครับเป็นหลักของกบเป็นองค์ของกบเป็นแก่นของกบเป็นความเป็นมนุษย์ของเราเป็นความเป็นสัตว์เดรัจฉานของสัตว์มันเป็นวิบากคือเป็นผลกรรมเราเนี่ยนะ เป็นผลผลิตของชนกรรมและตัวชีวิตของเรานั้นคือ พอนำเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ยืนความเป็นคนไว้ นี่มันต้องปุจุติตอบเราว่าชนกกรรมที่เป็นตัวทําให้เกิดอดีตผล เอาปฏิสนธิเป็นหลักถือเป็นแก่นของชีวิตพอเราตายจากชาตินี้ก็ไปได้ปฏิสนธิใหม่ก็แปลว่าเราเปลี่ยน ก็เปลี่ยนใหม่อย่างนี้ตามลําดับตามลําดับในแต่ละชาติแต่ละชาติอย่างนี้เนี่ยพอ อธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้อันนี้หลายคนจะนึกออกเนี่ยเกิดวิหิกิจ อย่างพวกตวิปันตวิญญาณ 10 สัมปติฉนะสัญญานะอะไรพวกนี้น่ะเป็นวิบากจรไอ้วิบากจรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากชนกเป็น อุปถัมภกกรรมบางอาหากว่าทวิปัญจวิญญาณนั้นเกิดเพราะกุศลกรรมอีกแผนกหนึ่ง อุบัติเหตุกรรมนะครับเข้ามาก่อกวนในกามแสรกในลักษณะก่อกวนเป็นวัฏเจตพืชของมีชนกกรรมที่เป็นกุศลเหมือนกันเหมือนกัน แต่พอมีชีวิตขึ้นมาแล้วในระหว่างนั้นจะมีไอ้อุปถัมภ์เข้ามาหนุน ผู้ไม่ได้รับไม่ได้ยืนที่ไม่สามารถจะ มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มันชีวิตเราเลยฮะบางครั้งเนี่ยเรายังนึกว่าเรามีปิงหุ่นหนุนจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดอะไรแส้ง นี่คือภวังคจิตคือภวังคจิตที่ว่าเป็นองค์ของปกภวังเป็นวิบากนะเกิด เอาปัจจุบันผู้ก็บอกให้ยืนอยู่ได้ด้วยภวังคจิตเป็น ต่อไปว่าก่อนที่วิถีจะจะเกิดก่อนวิถีจิตจะในบรรยากาศของการเกิดขึ้น นักตรงอดีตภาวังโดยอนุโลมไปด้วยวิถีจิตที่เกิดจิตกับอารมณ์ของวิถีอ่าจิต ก็เป็นกลกับสิ่งกับอารมณ์ของวิถีจิตนั้นอันนั้นแต่วิถีได้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ของก่อน อารมณ์เกิดขึ้นก่อนใช่มั้ยอันนี้เป็นหลักว่าอารมณ์ต้องเกิดขึ้นก่อนวิถีจิตอย่างเช่นเสียงเนี่ยเสียงนี่เป็นตัวกระตุ้นวิถีจิตไอ้วิถีจิตมันจะ แต่วิถีจิตว่าแม้เมื่อไหร่จะพูดดีนะครับเมื่อไหร่จะส่งเสียแม้แต่แอมนานเหลือเกินแม้แม้จริงจังหวะนานเหลือ การคิดหลอกเราเหมือนกันนะทําให้เราหาจะเข้าใจความตรง แม้ที่เราตั้งใจมาจากบ้านหรือตั้งใจขณะที่ๆมันก็หายไปแล้ว แต่ฉะนั้นที่กําลังพูดนี่คือยกถ้าวิธีเดียวว่าเสียงกับโสตตวาลวิถีโสตตวาลวิถีกับ จะได้ยินล่วงหน้าไม่ได้นะฮะจะต้องได้ยินเมื่อแล้วใช่มั้ยฮะได้ยินเมื่อเสียงไปกระทบหูแล้วทีนี้ นิคายเรียกว่ามันเป็นการเสียเวลาเดินทางเสียเวลาไปกระทบ ไส้กระทบหูน่ะกระทบตรงไหนตรงภวังคัจฉลนกนั่นคือขณะที่เสียงถึงหูกระทบหูไหวแต่ยังไม่ตื่นนะภวังค์ถูก ปกตินิมิตอารมณ์โปรแกรมอารมณ์พวกนี้นะอันนี้เรียกว่าเกิดความไม่มั่นคงที่จะรับอารมณ์นั้นต่อไปเรียกว่าไหวที่ไหว เกิดขึ้นในลักษณะไหวหวั่นแต่เป็นความไหวที่ไม่สามารถที่ตัดขาดจากความเป็นภวังค์คือมาก่อนแล้วส่วนหนึ่ง มาก็ครบตัวแล้วยังตั้งอีก 2 ขณะจิตจึงตื่นเป็นเสียงขึ้นมารู้ว่า ไอ้ตัวปัญจทวารารัญชนะที่จับเสียงเป็นอารมณ์ในตัวมันเองอยู่ที่อัฐยวถุไม่ได้มาตั้งอยู่ที่หูมัน เนี่ยแล้วก็ลําพูแต่ว่าตัวจิตเองนั้นอยู่ที่ที่หาดทรายเอ่ออ่าในประสบการณ์ของคนปฏิบัติอันนี้ผมก็ ขาเดียวนะก็มียืนพม่าขาเดียวไว้ยืนบัลลังก์ตาเดียวก็ การกําหนดใหม่ระหว่างนั้นน่ะแล้วท่านก็บอกว่าจิตของเราตั้งอยู่ที่นี่แต่อ่าอภิธรรมทั่วไปที่เรารู้กันอยู่เดิมแต่ เมื่อก่อนก็ก็ไม่สนใจนี่ก็ก็ไปก็ปฏิบัติเยอะปฏิบัติ 12 ปีแล้วเห็นเราให้ผมฟัง เขาเผยมา 3 เล่มต้องอ่านแล้วก็บอก 1 ที่เขียนโดยผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็มาวิจารณ์เรื่องอัตถยวรูปอาหัตยรูปจิตที่ เขารู้ในทางเดียวเราจิตมันตั้งอยู่ที่นี่เพราะว่านะฮะเพราะปฏิบัติแล้วมันเกิด ก็บอกว่าร่วงวังจะแวะมาเยี่ยมที่นี่เหมือนกันก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ปังทังท่านเทพก็ด่าทํา เป็นของมีไว้เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเป็นนะท่านถือเป็นนามรูปบริเขตแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญญาผู้ใครเรียนพระภิธรรมเปเปแล 8 แล้วก็เหมือนเรียน นอกจากอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งดี 2 พวกดีอีกแบบ 3 แบบดีๆดีจริงๆ ปววัฒนานั้นเป็นการปฏิบัติเป็นเรื่องการเจวัตะว่าอภิธรรมมาให้ข้อเท็จจริงให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ ไอ้ตัวปัญจทวาราลชนะเนี่ยมันอยู่ที่นี่อารมณ์กับโภชติตาเพราะนั้นมันเริ่มรู้สึกตื่นเหมือนคนปลุกนอนอยู่ พบกับคนก๊อกประตูตื่นเราจะมี 2 ระยะ 1 ตื่นทางใจเรียกว่าตื่นยังคือตื่นแล้วก็ลุก 2 ระยะฉะนั้นปัญจาถวายวัจนะนั้น อปัญจทวารารณาดับไปโสตวิญญาณจึงเป็นตัวลุกขึ้นมาที่ประตูคือที่ โสตตาวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นตัวที่ท่านถือว่าเป็น ทั้งมันก็นับตั้งแต่สัททวานิธิๆนะมันมีไอ้ก่อนตื่น 2-3 ขณะที่ๆนะครับก็ๆถึงๆเป็นไปโดยลําดับมา 2 ขณะสุดท้ายๆ ต่อที่ท่านถือว่าเป็นประธานหรือเป็นหลักของวิถี เฉพาะโสตวิญญาณจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ๆจึง วิญญาณนี้เป็นตัวเห็นๆนะเป็นตัวเห็น คือในแง่ของความเป็นบาปเป็นบุญแล้วก็ไปนะในแง่ของความรู้จักในทางพินิจพิจารณา ไอ้ที่หลังจากนั้นไม่ได้เห็นนานแต่เข้าใจมากแต่อันนี้น่ะก็เหมือน ตัดสินไม่ถูกถ้าไม่ใช่เป็นคนขับรถที่เจอปัญหามามาก แล้วก็อาจจะไม่มีความรู้เรื่องเอาที่จริงทั้งนี้ ทำโดยขตัดอีกหรือเอ่อทําใบอื่นอื่นก็ให้คุยภาษาตัดสินนี่ก็เป็นอย่างนี้แล้ว เป็นพยานแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรในส่วนตื้นลึกหนาบางด้านอื่นนอกเหนือ เออว่าจักสุวิญญาณเนี่ยมีคุณค่าดีที่สุดในการเจริญปัญญาไอ้เจริญกิเลสมันก็เอามันก็พยายามจะเอาไป ความไม่เป็นคนเป็นสัตว์ความไม่มีอะไรเลยไม่มีอกติอะไรเลยก็คือจักรทุกอย่างนิโรธตะวิญญาณที่ได้เห็นอารมณ์นั้นตามสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีไอ้ ที่ว่าไว้ว่าสติณจะต้องกําหนดไอ้ทีแรก เมธาของอ่าสภาพธรรมที่ปรากฏทางจักขายตนะ อิงปกติเราเองเราก็ไอ้จากสุนยาสน์เรานะเป็นประโยชน์ของ โมรนเหมือนป่าเนี่ยไปให้ให้สามารถทานแก่แก่คนปัดเค้าก็ว่าไอ้ความคงอยู่ของป่ามันก็หายไปถึงเค้า ธรรมชาติไปอย่างในอเมริกาที่สําเร็จเราเสน็จไปดูด้วยเนี่ยเป็นป่าที่ ปันที่ผมพูดให้ฟังนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นแต่ละแห่งแต่ละทวารแต่ละวิถีจักสุทวารวิถี มีส่วนไม่รู้มีส่วนไม่เข้าใจมีส่วนไม่มีความเข้มข้นเหมือนกับชวนะเหมือนกับจึง จึงอาศัยตวิปัญจวิญญาณทั้งนั้นเอาล่ะนี่ก็ แล้วตัวเองก็มาจากกรรมแต่พอมาถึงทวิปัญจวิญญาณ แห่งต้องชวนะเนี่ยชวนะจิตทั้งหมดหรือเป็นกรรมใหม่หมดแยกกันเกิดมี อาลัยที่จักโสวิญญาณมันเห็นเกิดกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องมั้ย การที่เราได้ไปรับอารมณ์นั้นก็ถือว่าเราได้ไปรับๆว่าอารมณ์นั้นกรรมเราชักนํามาทํา อารมณ์ที่มากระทบหูเราอารมณ์ที่มากระทบบางดวงนั้นกรรมสร้างขึ้นอย่างปัญจทวาร มันรับมาเป็นอารมณ์นะอารมณ์นั้นเกิดจากกรรมก็ถ้าถ้าจะเทียบมันสักคน แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเกิดติดโรคระบาดพร้อมกันทั้ง 2 คนเราเองก็ป่วยก็เลยเรียกว่าป่วยทั้งไป ก็จะติมท่อประปาให้ทางรักษาศีลเจริญมนต์น่ะ พอมาถึงข้างในเนี่ยไอ้ข้างในอํานาจกรรมนั้นมายังไม่ยังเป็นกิริยาหรือผลจากความเป็น แล้วก็สร้างจักขุวิญญาณให้มาเห็นนุบาลม์ไม่ดี ถึงตรงนี้เป็นหัวเรียกว่าตอนหนึ่งในวิถีจิตที่ที่เป็นมโนทวารวจนะอันนั้นจะเป็น <c oughs> การตัดสินอารมณ์เพื่อให้เกิดกรรมใหม่ เมื่อเมื่ออธิบายถึงจิตตัวๆในทางจิตตื่นอีก ประตูทั้งห้าทั้ง 5 หรือ 5 จึงตื่นขึ้นตื่นขึ้นจากความหลับจริงๆว่าอย่างนี้แล้วก็ที่ว่าไอ้ความ 2 ขณะจิตเป็นอย่างน้อยที่เรียกว่าภวังคจรณะ เนี่ยอยู่จะไปให้เค้าทิ้งอารมณ์นั้นทันทีอย่างปัจจุบัน อันนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์เก่าทีนี้การที่อารมณ์ใหม่มาแย่งจิตไปเพื่อให้จับตัวเอง นี่คือการคลายตัวจากอารมณ์เก่าเพื่อ มโนทวาราวจนะจิตที่แปลตามศัพท์ว่าจิตที่ลำพึง วิธีจิตเรามี 2 วิธีหลักปัญจทวารวิธีวิธีจิต ขั้นตัวมโนทวารารจนาจิตนั้นคือความรู้สึกแรกตื่นทางใจเราพบว่าทางมโนทวารวิถีนั้นทําไมจึงไม่มีขั้นตอน แล้วก็หลังจากนั้นก็มีก็หลังจากนั้นก็มีอวิปันจกวิญญาณมีสัมปติจันนามีสันตุลนะมีโวทปนะว่า 1 แลแลแลเพราะ กลองขั้นตอนในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาเหมือน เงินดื่มที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเหมือนน้ํานี้เป็นอธิบายที่ 1 และอีกอย่าง ในจิตนั้นๆคืออธิบายรวมแล้วก็ได้ความ ก็ลดความสามารถของจิตแต่ว่าถ้าจิตใดที่เรียนรู้ด้วยความสามารถๆก็จะๆเนี่ยถ้า ที่ไม่พูดถึงในทางกิเลสก็จะมีความแม่นตรงมากกว่า จะเห็นว่าตัวมโนทวาราวชนะเนี่ยท่านเรียกด้วยอํานาจมันทํากิจในตัวมัน มองข้างหลังข้างหลังคือโวตปมนะกัจจินพอหลังจากนั้นแหละมันทําให้เกิดขึ้นวะ ก็เรียกว่ามโนตวารวจนะถ้าเรียกด้วยกิริตนหลังก็จะเรียกว่า 歷 Teruah ทางมะโนSenwa และวิธีไม่ได้歷 Teruah ciast อีกทางมีที่ Carbon when dan 美 Tudo rebirth remained refined и απ vienenедati Quiz 4说 proveser us Así a youtube that everowment 5X to 1 in a YouTube attack box. Right? วิกกิฏส่วนหน้าทางโมนตวารวิถีนั้นน่ะมันทํากิฏให้กับปัญจทวารกลางและส่วนหลังเพราะ ตัวมโนทวาราวจนะพอมาปรากฏชื่อทางปัญจทวาราวิถีท่านและกําหนดว่าองค์ธรรมคือเพราะมโนทวาราวจนะจิตมาทํากิจ ข้าว่าควรดินดีหรือควรกินร้ายนะฮะจึงเรียกว่าวโวธสัปนะนั้นๆทั่วๆไปในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยบางทีเค้าเรียกว่าวโวธ ก็ขอให้รู้ว่าเรียกจิตดวงนั้นได้กี่ เรียกโวธปะนะทั้งทางปัญจทวาระวจนะแล้วก็ทางมโนทวาระวจนะก็ได้ถ้าเรียกทางมโนทวาระวจนะถ้าเรียกทางมโนทวานวิธีว่าโวธปะนะก็แปลว่าเรียกจิตดวงนี้ด้วยจิตส่วนหลังไม่ เลือกด้วยกิริยาตัวหลังก็ยงว่าเรียกว่าโวธะอ่ะป่ะน่ะไอ้จะไปเลือก 2 อย่างมันจะลุงลังเกินไปนะก็เลยเลือก เรียกก็ได้มโนทวาราวจนะก็ได้เรียกบิกิฏนั้นแต่ 89 เนี่ยได้แก่จิตอะไรที่รับอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ได้แก่จิตคือมหากุศล 1 อันนี้ยังไม่หรือถ้าแม้ท่าน หน่วงเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ได้ในเรื่องหน้า รู้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยฮะไม่ต้องตั้งอ่ะนะตัดสินแล้วคนจะคิดนึกๆเนี่ยมันก็คิดๆก็ประสบ ก็จะต้องมีมโนทวารราวฉนะเนี่ยไปเป็นอาวัชชนะให้ๆจะรู้ไอ้นี่ก็เปิดประตู อย่างนี้ท่านจึงเลือดว่าเป็นมหาคชจิตมหาก็จะจิตหมาคชจิตแปลว่าจิตคือๆมีมากเป็น ขออธิบายตรงจุดนี้อีกทีที่เคยบอกว่าเราได้วิถีจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอํานาจของอาลัยเป็น กรรมใหม่นี่ถึงเข้ามาผสมกิเลสถึงเข้ามาหรืออุปคาตกรรมอีก ก็ได้ไอ้ๆที่มาปรากฏเป็นบางโอกาสนะอย่างเช่นอาจินนกรรมเออก็แล้วแต่ๆกันไปแต่ 2 ตัวนี้ตรงวิธีคิดไอ้ ไดๆต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เอาอารมณ์มาก่อนนะมันเลือกอารมณ์มาก่อนเนี่ยมามีเครื่องมือตามเวลาจะให้คน มันก็ชัดมาโหใหญ่โตถ้าเรามาแยกส่วนๆเนี่ยโอ้โหเค้าจริงหูล่ะลมจมูกล่ะเนี่ย <c oughs> กรรมมันก็เข้ามาแล้วก็มันก็นี่ครับนี่ไอ้กิเลสก็ ฤทธิ์ของกิเลสเก่าที่เกิดกับอกุศลกรรมแล้วก็ฤทธิ์ของอัตยาสัยอันงามเก่าที่เกิดขึ้นกับกุศลกรรม แล้วก็ได้มาด้วยกันเลยด้วยพลังของอุปนิสัยที่ได้จากกรรมนั้นด้วยแปล การก็ตรงนี้คือเช่นว่าก็ตรงนี้คือเช่นว่าเราไปเห็นคู่ปฏิปักษ์ที่เราทําเขาไว้บ้างเขาทําเราบ้างเขา ในภาพของคนนั้นทีนี้เราเนี่ยเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนนี้แต่อดีตเรา พอมาเห็นใหม่นะครับตํามันก็พักมาชักมาแล้วมันเอา วิบากอย่างนี้เราได้เสพทั้งวิบากกรรมนั้นด้วยทั้งส่วนนอก ที่เราได้เสวยอย่างครบถ้วนของการสร้างกรรมแต่อดีตที่เราทําไว้อย่าง มีบาปติดมาจากกรรมเนี่ยมันก็มาจากไอ้ คนคนหนึ่งไปเห็นไปได้คู่กรรมของตัวเองเนี่ยมาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนนะฮะหรือแม้กระทั่งมาเป็นลูกไอ้เป็นลูกนี่ก็น่าเห็นใจ แม้จะขาดไม่ได้เลยคนนี้จะต้องมีความคิดว่านั่นนี่มีนะนี่มียาอย่างยาเชย ก็ขนาดไอ้ที่มาแต่งงานกันยังมีนะไอ้ มันตัดสินใจด้วยอํานาจของอะไรการ ไอ้ชอบพอเช่นบางคนเค้ารู้สึกว่า นิสัยนี้มันมาจากไหนๆเราบอกมันเกิดขึ้นจากกรรมทําให้คิดอย่างนั้น มันเลยเรื่องสมัยนี้ก็มีไอ้ที่ไปเห็นแล้วไปสงสารคนผิดและสงเคราะห์ไม่มีที่จะทุกหัวหัวนอนทีแรกก็ให้่ำคิดแต่มันก็เลยเล่า เลยค่าตายเลยฆ่าตายเลยเนี่ยถึงบอกว่า ทีนี้คนเราเวลามันจะได้รับกรรมเนี่ยทําไมถึงไม่กลัวจะพ้นไม่พ้นถูกมะครับก็ เออไม่พอไอ้คนเนี่ยไม่พอเลยกลายเป็นว่าเนี่ยก็ไป อ้าวแล้วจะให้ทํายังไงๆพ้นหรือ กำหนดให้เป็นกุศลทั้งนั้นลองคิดดูถ้ากําหนดให้เป็นแล้วเนี่ยกําหนดให้เป็นอกุศลมันก็ แล้วก็หมายให้มันได้ประโยชน์อย่างอื่นต่อแทน นั่นด้วยแล้วก็พลังของการทําใจด้วยพลังของกุศลว่า ไม่พลเลยเพิ่นว่าถ้าทําใจดีเลยเนี่ยพลถ้าทําใจไม่ดี เรื่องกรรมเนี่ยเค้าก็บอกว่าอะไรคิดยังไงยังไง คิดว่ามันหมดบริโภคทั้งเกลจะได้ปลดปลื่นสิ่งสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยท่านก็จะเข้านิพพานแล้วแล้วก็เหมือนว่าชะตาชีวิตท่านจะต้องมานิพพานด้วยด้วยอาการอย่างนี้เป็นก็คงจะดูชัดเจนนะ 3 ครั้งตามหลักของศาสนาไม่ใช่ไม่ ตัวนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นถ้า คงจะไว้ต่อเอาหน้าพยำตรงนี้ใหม่ก็พัก 1 พักจนถึงเที่ยงแล้ว 20 เนี่ยกลาง 20 ทั้งกิริยา แล้วก็กิริยาที่เกิดขึ้นจากคุณธรรมที่พระอรหันต์ท่านอบรมให้ถึงก็จะเกิดกิริยาอีก 17 ดวงอีก 18 ดวงกิริยาตามธรรมชาติมี 2 กิริยาที่เป็นผลได้จากการอบรมภูมิธรรมจนนะก็เลยกันว่า ไปเป็นประโยชน์แก่ความปรติญาณที่เรานั้นมี 5 แห่งอวานที่แปลว่าประตูประตู ต่อว่าในที่นี้ถ้าเอามาใช้กับสภาวธรรมแล้วทวารแปลว่าช่องทางเป็นที่เข้าหรือออกตอบว่าเป็น อารมณ์มันๆเสียงเข้าๆโพฏะปะมันเข้ามาสัมผัสที่เช่นอาวชนะอะมโนตวาราญชนะจิตเนี่ย แล้วก็พุ่งสายไปคิดอ่าเช่นเสียงที่ฟังแล้วมันก็มุ่งไป อารมณ์เข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าจิตให้คิดคํานึงถึงมันเองซึ่งมี ที่เห็นแต่ตัวมากยังคิดถึงข้างนอกมาไอ้คนเมื่อก็เห็นแต่ตัวเนี่ยมันก็จะคิดถึงข้างนอกมันฟังดูเหมือนขัดแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเช่นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็คิดถึงข้างนอกคิดๆแล้วจะเอามาข้างนอกคิดข้างนอก อันไปหาข้างนอกแต่ว่าคนที่ไม่เห็นแก่ๆต่างคนอื่นด้วยอย่างคน ที่จะต้องต้องเที่ยวเวียนไหว้อ่าผมก็ ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กาย 4 คือปัญจทวารทวารนั้นเรียก แต่ถ้าต่อได้คําว่าปัญจทวาราวัชชนะแล้วบวกจิตลงไปด้วยแล้วก็กลายเป็นชื่อจิตไป ไม่ได้หมายถึงลูกนี่ก็เหมือนกันถึงลูกนี่ก็เหมือนกันพอ แลไปที่ใดก็เรียกว่าอาวจรณะไปๆมันจะมี 2 อันนี้แต่ตรงนี้ท่านมาพูดถึงในขั้นละเอียดชั้นหยาบๆนะที่พูดคือลำสึง อ่าที่มากระทบทางกาย 5 หรือ 5 ก็ 5 คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบปัญจะทวารนั้นๆทวารนั้นๆก็ ของปัญจทวารวิถีที่พ้นจากภวังค์คือความหลับ คือป้อมหลับมีชื่ออ่ะพิสดารแตกต่างไปมันผมจะยังไม่อธิบายตรงนี้แต่ภวังค์ที่มีคําว่าภวังค์มัน แล้วก็ภวังค์บางทีใช้เป็นว่าเป็นเรื่อง มาจากคําว่าภวะที่แปลว่าพบแล้วก็อังคะที่แปล อย่างเห็นองค์มรรค 8 เนี่ยก็หมายถึงขอบคันคือมี 8 ขอบ 8 อย่างทีนี้ถ้าเป็นองค์ของชีวิตข้อนี้ท่านต้องการจะบอกเป็นแก่น ขันธ์ของเราอัตภาพของเราในชาตินั้นๆเรียกมีความเป็นความได้อัตภาพความปรากฏขึ้นของขันธ์ในอัตภาพหนึ่งที่นี้ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นองค์ของภพคือเป็นหลัก อะไรสมเป็นแก่นของพบติดของเรานี่แหละครับเป็นหลักของภพเป็นองค์ของภพเป็นแก่นของภพเป็นความเป็นมนุษย์ของเราเป็นความเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นผลผลิตของชนกกรรมและตัวชีวิตของเรานั้นคือภพนั่นเองที่เป็นวิบากของก่อน 3 ก็ตามและกรรมที่เป็นชนกกรรมนั้นมาสร้างอัตภาพด้วยการทําปฏิสนธิจิต พอนำเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ยืนความเป็นคนไว้สัจชัยถึงบอกว่าถ้าชนก ที่มันต้องปุตุติตอบเราว่าชนกกรรมที่เป็นตัวทําให้เกิดอดีตผลที่พะวังมันหมดน่ะ เอาปฏิสนธิขั้นหลังถือเป็นแก่นของชีวิตพอเราตายจากชาตินี้ก็ไปได้ปฏิสนธิ ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไปตามลําดับตามลําดับในแต่ละชาติแต่ละชาติอย่าง แต่ถ้าว่าถึงให้ให้ให้ชัดเป็นถืือนเนี่ยอธิบายอย่างว่าไอ้ชนกปุ๊บภวังค์เกิดเอ่อปฏิสนธิเกิดแล้วก็ วิจิตนึงก็มีพวกวิบากจรอย่างพวกตะวิพันตะวิญญาณ 10 สัมปติจัณณะสันธิญาณอะไรพวกนี้น่ะเป็นวิบากจรไอ้ แต่ที่ท่านเรียกคือท่านเรียกว่าเป็นอุปถัมภกกรรมบางอาหักว่าทวิปัญจวิญญาณนั้นเกิดเพราะ อย่างแล้วเห็นไม่ดีครั้งหนึ่งเนี่ยอุปปีลีกรรมน่ะครับเข้ามาก่อกวนมีการแทรกใน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 อยู่ไม่ได้รับไม่ได้ยืนคือไม่สามารถจะยืนประทามมันได้ก็ทําลายแต่ถ้าหากว่า มันก็เป็นอย่างอย่างหมดชีวิตเราเลยฮะบางครั้งเนี่ยเรายังนึกว่าเรามีสิ่งหนุนหนุนจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดอะไร นี่คือภวังคจิตคือภวังคจิตที่ว่าเป็นองค์ของตบภวัง เอาปัจจุบันผู้ก็บอกให้ยืนอยู่ได้ด้วย ปัวปัญจสวารวจนะไปดูวิถีจิตต่อไปว่าก่อนที่วิถีจิตจะเกิดก่อนวิถี ยืนชีวิตวัยอาภิชีวิตวัยนี้เพราะวิถีจิตเกิดนับตรงอดีตภาวะโดยอนุโลมไปด้วยวิถีจิตที่เกิดขึ้น จิตกับอารมณ์ของคลสิงไม่ได้อย่างไร เสียงมีโดยไม่มีได้ได้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ของใครเรียกว่าเสียงปรากฏโดยไม่ได้เป็นอารมณ์ของใครถูกปรากฏโดยนะฮะอันนี้ก็ วิถีจิตเกิดรออารมณ์หรือวิถีจิตเกิดขึ้นพร้อมก่อนอารมณ์เกิดขึ้นว่าอารมณ์ต้องเกิดขึ้นก่อนวิถี เกิดขึ้นก่อนนโมเสียงได้ยินขนาดเนี้ยเสียงต้องเกิดขึ้นก่อนท่านจะเกิดวิถีจิตของแม้เมื่อไหร่จะพูดทันทีนะครับเมื่อไหร่จะส่งเสียงไม่ได้นะครับอ่าแล้วทําไมเราคิดอย่างนี้แม้แต่แอมนานแล้ว ใช่มั้ยไอ้ตรงนี้มันก็ จะต้องเป็นวิถีปิดที่เกิดขึ้นหลังนะแต่ที่เราตั้งใจมาจากเป็นความคิดเป็นบุปผาจิตังมโนๆมัน ไม่ได้คิดแล้วไอ้ตัวได้ยินตับคือทางหูเพราะฉะนั้นที่กําลังพูดนี้คือยกแต่วิถีเดียวว่าเสียงนั้นเสียงต้องๆเอา เอาง่ายๆอย่างท่านจะได้ยินคําพูดผมคํานี้การได้ยินของท่านใช่มั้ยฮะได้ยินเมื่อ ต้องคิดนะว่าเกิดตรงนี้มันต้องเกิดก่อนที่เกิดที่นี่แล้วก็ไปกระทบหูนี่ก็เรียกว่า จะได้ยินเมื่อต้องไปกระทบหูแล้วเท่านั้นนะ กะทบแล้วพะวังไหวยังยังไม่ตื่นนะตะวังถูกอิทธิพลของอารมณ์ทําให้เกิดความไม่มั่นคงในการรับอารมณ์เดิม